ความเจริญและความเสื่อมระหว่างการปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติจะพบว่ามีทั้งเจริญและเสื่อมเมื่อใดเจริญก็ไม่ดีใจเมื่อเสื่อมก็ไม่เสียใจไม่ต้องดิ้นรนอยากให้หายเสื่อมแต่ให้เห็นความเสื่อมด้วยความเป็นกลางความเสื่อมจะกลับเป็นความเจริญขึ้นมาทันที